เราไม่ได้เดินจงกรมกันมาหลายรอบแล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่เดินอีกอืออะออจริงจริงอะไอ้นิวรโดยเฉพาะตัวถีนมิธะเหมือนเราอาบน้ำแต่มันมีมีขี้โคน แ, แต่แต่ว่าเวลาเราอาบน้ํานี่ย ม, มันมีขี้โคลนอยู่ตามผนังเราตามผิวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยมันต้องอาบใหม่ต้องอาบใหม่ต้องอาบใหม่ใช่ไหมอืมเพราะความตื่นของจิตเราในการอาบน้ํามันมุ่งความสะอาดเป็นที่ตั้งพอมันเห็นอะไรอเป็นแต่ทีนี้ถีนมิทะเวลามันเกิดเวลาเราทําสมาธิรู้ลมหายใจเนี่ย เวลาถีนามิธามันเกิดมันเกิดแต่มันกลืนมันกลืนมันกลืนจิตเราไปด้วยฮะมันรู้สึกตัวแต่มันนิดๆเนมันกลืนไปเรื่อยกลืนไปเรื่อยกลืนไปเรื่อยจากจากว่าเรานั่งอย่างนี้เรารู้สึกว่าเรามันต้องรักษาภาพลักษณ์เป็นพระอย่างเป็นพระนะโคยพระระดับเจ้าคุณมันต้องนองเว้ย เดี๋ยวมานั่งอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ระดับคุณหมอนะเนี่ยโอ้ด้นนายพลนะหมอะเนุโอ้โหนี่นักธุรกิจนะเนี่ยนี่นักโอ้โหนี่นักนักนั ก, นกอะไรเนี่ยพอพอเริ่มต้นใช่ไหมจิตมันตื่นเวลานุ่นเจ้าของแกนงงอย่างเงี้ยโอ้โหลกมันต้องอยังไงยังมันต้องยืดไปั้ พอไปพักเวลามันเกิดอ่ะมันจะกินมาทั้งตัวเลยมันเหลือเปิดช่องให้เรานิดเดียวว่าจะสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมไม่สู้ต <c oughs> ้อง ม, มีคําถามว่าสู้ไหมสู้ไหมไม่สู <c oughs> เ้เอาไหมเอาไหมไม่เอาจะมีวิธีนะคับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> มีวิธีนะครับมีวิธีอ่ะก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างเหมือนเราอาบน้ํำ <c oughs> ทําไมเวลาเราอาบน้ําแล้วเรารู้สึกว่าไม่สะอาดเราต้องอาบใหม่อาบใหม่ อ, า บ, มอาบจนมันสะอาด <c oughs> อะไรมันเกิดขึ้น ฮะฮะอืมหญิงสาวที่มันรักสวยรักงามเช้าขึ้นมาปั๊บป็นสองกระจกแล้วประสองมันไม่ใช่มันธรรมดาเลยนะมันเหมือนกับคนอาชีพหางูอ่ะ <c oughs> รู้จักไหมอาชีพพวกหางูอ่ะคนใต้เราต้องพูดต้องระวังปากเลย เดี๋ยวจะออกเป็น <laughs> <laughs> ห, พหูพวกหาอสรพิษหากูเหาครับพวกเนี่ยถือปับ๊บต้องต้องเคลียร์ต้องเคียวโหหาละเอียดเรียบยิบเลยหญิงสาวเหมือนกันที่มันถือคันชองสองหน้ารักสวยรักงามหน้ามันสะอาดสะอาดแต่มันต้องส่องอีกส่องแล้วส่องอีกเพื่อหาว่ามันจะมีฝอยมีฝ้ามีเสี้ยนมีอะไรขึ้นมาที่ใบหน้ามันไหมมันได้ด้วยอะไร ฮือ hmm? เออได้ด้วยอํานาจของที่สภาพจิตที่ชื่อว่าฉันทะอไอฉันทะตัวนี้เราจะมันเกิดขึ้นจากหญิงสาวเพราะว่าความรักสวยรักงามใช่ไหมมันนึกถึงภาพความผุดพองความอิ่มเอิบความมีสหาราศีตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันต้องกําจัดกําจัดกําจัดอันนี้เราเหมือนกัน พรตอนนี้เรานั่งเนี่ยโอ้ต้องรักษาภาพลักที่คนไร้ศรด้วยต้องรักษาดีนีหน่อยใช่ปะพอพอวัยรุ่นถี่นะมิถะเกิดขึ้นปั๊บมันครอบมันครอบจิตตัวนั้นจะเป็นอกุศลวิตกเกิดขึ้นทันทีเลยอกุศลวิตกที่เกิดตัวนั้นเรียกว่ากามวิตก การมวิตกคืออาการที่จิตยกเข้าไปเพื่อที่จะเสพความสบายกามวิตกแล้วไม่ใช่นึกถึงเรื่องเดียวนะกามวิตกคืออาการที่จิตมันยกเข้าไปมันตึกเข้าไปเพื่อที่จะวิ่งหาความสบายความห่วงความเมื่อยความล้าความอะไรต่างๆความหัวดูนี่ ม, นมันเป็นความไม่สบายมันจะมันจะต้องบีบเข้าไปหาสู่ความสบายมันจึงเกิดกามวิตกเป็นอกุอสละวิตก พอเกิดขึ้นปั๊บมีอํานาจมีอํานาจพระเจ้าเรียกว่าวัดสานุโควัดสานุโคคือว่ามีความเป็นไปตามอํานาจของอากุศนลวิตกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นไปในอํานาจของอกุศนลวิตกนั้นแล้ว อ, อภาพเท่าไหร่เท่าไร่ภาพลักษเท่าไหร่เท่าไร่ต่อให้เป็นพระราชาคณนะชั้นเจ้าคุณยังงนั้น เนี่ยพระนั่งหันหน้าประเจนกับโยมนี่โดยปกติพระจะต้องไม่ได้ไว้โยมอยู่ง่วงอย่างไง ก, ก็ต้องแต่พอไปถ้าพักมันเกิดปั๊บอันนี้คืออํานาจของอกุศลลวิตตกที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะลาไม่ดกนะเรียกว่าวัสานุโควัสานุโคคือว่าพอมันเกิดแล้วมันให้จิตเนี่ยเป็นไปตามอํานาจของมันพอมันเป็นไปตามอำนาจของมั น, ม น, เ, น, น, ม น, มนเนี่ยไอความตื่นตัวความอะไรต่งตางๆที่เหลือ เสร็จหมดเลเพราะฉะนั้นเราจะต้องแน่วแน่กับลมหายใจเป็นป ก, กติจนมันมีฉันทะฉันทะที่เกิดขึ้นจะทําให้เดินเหนือนิวรณ์เหมือนอคําว่าเดินเหนือนิวรณ์หมายว่านิวรณ์มันเกิดนะนิวรณ์ไม่เกิดไม่ได้นิวรณ์ไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่เราทําสมาธิ คำว่านิวรธรรมหมายความว่าไอ้ธรรมที่มันมันเป็นตัวขัดขวางตัวห้ามการทะลุออกสู่ความดีของเราในยามปกติอย่างนี้มันก็เกิดไอ้นิวร์น่ะมันเกิดอยู่แล้วมันไม่ใช่มีแค่ห้าตัวมีเยอะอตัวนิวรน่ะแต่ว่าเวลาเราอยู่ในสมาธิเราก็จะเห็นนิวร์ห้าตัวเพราะอะไรเพราะความอ่อนแอของคุณสมบัติแห่งจิตคือตัวความตึก ตัวความตรองตัวความอิ่มตัวความสบายและตัวความนิ่งที่เป็นคุณสมบัติของสมาธิอันอยู่ที่จิตจากการที่จิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวไอ้ตัวความตึกตัวความตรองตัวความอิ่มตัวความสบายตัวความนิ่งห้าห้าตัวนี้ที่มันเกิดอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นนน มันจะเป็นตัวที่กันพวกนี้วนไว้เหมือนเราเอาทหารยามห้าคนมายืนตรงประตูเข้าห้ามไม่ให้ไอ้พวกนี้เข้ามามันก็เข้ามาไม่ได้ตราบใดที่ทหารยามทางห้าอยู่ที่ประตูนี้ถ้าทหารยามทางห้านี้ไม่มีนะเรานั่งเป็นผู้บัญชาการอยู่ข้างในอยู่คนเดียวอะแล้วไม่มีทหารยามอยู่ที่ประตูทางห้าประตูปับ ฮขอจอ ก, ก็ออกมากระเบนเดงเอยนุก็มานี่ก็มานุ่ก็มาเข้ามาทุกประตูเลยแล้วเราที่นั่งอยู่เป็นไงเจ็บตกอยู่ในอำนาจของมันหมดนนี้ก็เหมือนกันความตริความต ร, รองความอิ่มความสบายและความนิ่งนั้นมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่อยู่กับอารมณ์อันเดียว เป็นคุณสมบัติของจิตที่อยู่กับอารมณ์เดียวถ้าห้าตัวนี้ยังอยู่การมาฉันพยาบาทถีนวิทธะอุตจักกูกุจะและวิจิกิจชาห้าตัวนี้แม้เกิดก็เข้าไม่ได้แม้เกิดก็ครอบงำไม่ได้ทีนี้ไอห้าตัวเนี้ยทั้งห้าตัวเนี้ย ทำไมเราจึงเกิดความม่วงมาก่อนฮะทำไมความม่วงมันจึงมาก่อนล่ะฮะก็เรี่อมหมอสองคนนั่งตรงแนวดิง่งคนหลังตอบก็เท่ากับคนหน้าเห็นด้วยไม่หมอสองคนนั่งในแนวดิง่งเพราะอะไร ในทางกลับกันน่ะกินข้าวเสร็จเหมือนกันแล้วไปนั่งดูหนังสืบสวนสอบสวนที่ชอบอะเป็นไง น, น, นอนเอามือเท้าอยู่อย่างเงี้ยเมื่อยคอตายหา่ามันยังไม่รู้สึกปวดเลย <c oughs> ดูจนจบจบเสร็จลุกขึ้นมาคอหันไม่ได้ฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ใช่ป่าเออแอ้วทำไมอ่ะทำไมัไม่เกิดกินข้าวอิ่มเหมือนกันฮะ ม, ม, น ม, มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเปลื่องการรู้ลมหายใจมีตัวหนึ่งวิโบตจัยังจิตตังอตสสิทสามีติสิกริ เราพึงศึกษาว่าเราจะเปลื้องจิตออกไปแล้วหายใจออกเราจะเปลื้องจิตออกไปแล้วก็หายใจเข้าไในมีคําว่าเปลื้องอยู่นะวีโบจะอย่างอืสภาพของจิตที่ที่เรารู้ลมหายใจเพื่อเข้าไปคลี่คลายเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นเราจมานําให้เรานั่งเมื่อตะกี้ ทีคังว่าอัตตสั้นโตทีครังอัตตสามีติปชาาติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปะชาาติคือรู้ทั่วรู้ชัดรู้พร้อมมีความตั้งใจเข้าไปรู้ <c oughs> ถ้าไม่มีความตั้งใจเข้าไปรู้ไม่ได้ทีนี้ไอตัวที่ตั้งใจเข้าไปรู้มันคืออะไรฮะลักษณะตั้งใจเข้าไปรู้ก็คืออาการที่จิตมันยกออกไปรู้ยกออกไปรู้มีอะไรเป็นอะไรในนั้นฮะ จะว่าเป็นฉันทะยังไม่ถูกอาการที่จิงมันยกไปในเบื้องต้นนะเรียกคำสั้นๆว่ากำหนดใช่ไหมรเราเรียกว่าตั้งใจใช่ไหมอาการยกจิตมันก็คือวิตกใช่ไหมใช่ไม้มจิตที่คล อ, อยู่กับลมหายใจคือวิจารใช่ไหม เ, เรายกจิตก็ไปรู้แล้วลมหายใจกำลังเคลื่อนต้นลมกลางลมปลายลม จิตมันรู้คลออยู่กับลมหายใจนั้นต่อเ น, นื่องคลออยู่นั่นคือวิจารณใช่ไหมออมันยกแล้วคลอยกและคลอยกแล้วคล อ, ลคลอจิตไม่ออกไปไหนอยู่กับลมหายใจเรียกว่ามีวิตกและวิจารณ์อย่างต่อเ น, นื่นองเขามีกําลังขึ้นมากําลังขึ้นมาจิตยกแล้วคลอยกแล้วคลอวิตกวิจารณ์มีกําลังขึ้นมาทีมันจาไม่ให้เกิดก็ยิ่งใหญ่ไม่ได้เออ เหมือนอมบาดขวายบุญไม่มีกําลังไม่มีตําแหน่งใหญ่โตก็สั่งการใครไม่ได้สู้อมบาทขวายบูไม่ได้เหมือนกันพอวิตกวิจารคือการยกและคลอยกและคลอเขามีกําลังมีกําลังนะั่นหมายความว่าจิตมีในตัวตัวจิตจะเป็นสัมปัญญานักการีจะมีการกระทําเพื่อความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นในๆอยู่ในนั้นมันเกิดความตื่นขึ้นมาแม้มันง่วงมันก็ไม่ไปหรอกพออย่างนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรจิตมันก็จะอิ่มพอมันยกคลอยกคลอยกคลอยกคลอยกคลอไปเรื่อยเรืยยมันก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมาความอิ่มที่มันเป็นความรื่นเรองของใจในขณะที่มันรู้อยู่กับลมหายใจความรื่นเริงความอิ่มของใจ ที่เกิดขึ้นอยู่กับใจนั้นมันเป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้ความรื่นเริงความอิ่มนั้นแล้วก็รู้สึกตัวกับลมหายใจที่ไหลออกรื่นรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับความอิ่มความรื่นเรืองนั้นแล้วก็อยู่กับลมหายใจที่เหล่าเมื่อลมหายใจเคลื่อนจิตมาอยู่กับลมหายใจพอลมหายใจหยุดปั๊บจิตก็ไปอยู่กับความอิ่มความรื่นเริงนั้นมันก็จยุบตัวมันเองลงมาผนตัวเองลงมาเป็นความสหุบนะครับ ตอนนั้นกายเราจะนิ่งเลยนิ่งเสร็จมันก็เกิดเป็นความสบายหมายความว่าอะไรหมายความว่าความฟุง้งซ่านอุตจั่วกูจัเอยความที่ความจิตยกสลับอารมณ์กันต่างๆเพื่อเข้าไปสวยอารมณ์ภายในภายนอกเนี่ยยุติอยุติเลยเสร็จแล้วมันเกิดความสบายขึ้นมาแล้วพอเกิดความสบายเสร็จ จิตยังอยู่กับลมหายใจอยู่แต่อาการยกเข้าไปหาลมหายใจและการตั้งใจที่จะไปคลอยอยู่กับลมหายใจอย่างตัวๆ้นั้นมันหายไปด้วยเพราะมันอยู่กับความอิ่มนิ่งและมมาเกิดความสบายขึ้นมาแล้วพอสบายเสร็จจิตไปไหนจิตไปไหนจิตมาตั้งมั่น จิตมาตั้งมั่นอยู่กับตัวจิตเองโดยไม่ไปใส่ใจสิ่งใดๆแต่เมื่อลมหายใจมาโดยธรรมชาติลมออกจิตก็แค่รู้ว่าลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าจิตก็แค่รู้ว่าลมหายใจเข้ายามใดที่ลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจิตจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวจิตตรงนั้นเราเรียกว่าเขาตั้งมั่น ซึ่งมันเป็นการไต่ระดับลงมาตามกำลังของจิตแบบนี้ <c oughs> และเมื่อเขาตั้งมั่นเนี่ยอ า, อาการยกจิตไปอาการที่ให้จิตก็คล อ, อยู่กับลมหายใจมันหายไปเราจึงได้ยินคำว่าวิตกวิจาร์ดับเราได้ยินคำว่าปีติดับเป็นสับบาลีที่พูดไปแล้วมีจะคนมีพท น, น า, าอุยะว่อุตริ ใช่ไหมเราก็เลยไม่พูดไปแต่ในความเป็นจริงเวลาเรารู้ลมหายใจสังเกตวันนี้ตอนเช้าเราบอกว่าให้ยกจิตกลับไปรู้ลมหายใจยาวพระพุทธเจ้าตรัสทีคังว่าอัตราสั้นตดีครังอัตรสามีตีประชานาติดเรารู้ชัดว่าเมื่อเมื่อเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวพย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวคําว่าย่อมรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวคือการตั้งใจรู้เข้าไป คำว่าตั้งใจรู้ตั้งใจรู้คืออะไรตั้งใจรู้ก็คือการยกจิตเข้าไปอย่างระลึกต่อลมหายใจนั้นเมื่อลมหายและทำไมลมมันหายใจมันจึงยาวเพราะจิตคลอรู้อยู่กับลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจการคลออยู่นั้นคือวิจารณการยกเข้าไปคือวิตกทั้งสองตัวนี้เรียกว่ากาหนดเรียกว่าตั้งใจมีอะไรอยู่ในนี้ ดูให้มันเยอยย่อยให้ไปละเอียดมีอะไรอยู่ในนี้สัญญาเจตนาเห็นไหมถ้าไม่มีสัญญาจะยกไปได้ไหมคลอไปได้ไหมไ ม, ไม่ได้เพราะมันไม่รู้อะไรคือลมหายใจมันไม่รู้อะไรมันต้องมีสัญญาและต้องมีเจตนาใช่ไหมคือกิริยาที่ใจมันเคลื่อนไหวมุ่งเข้าไปเพื่อให้เกิดการกระทาเราเรียกว่าเจตนา สัญญาและเจตนานี้จะเป็นตัวที่ละเอียดเมื่อจิตเมื่อจิตรู้ลมหายใจยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื ย, ร ย, รยการยกและการคลอของจิตต่อเนื่องกาไปจิตเกิดความเช่มชื่นรู้ตัวนั้นจะละเอียดพระพิเ้าเรียกสั้นโตปั น, นีโตอาเซจนาโกสั้นโตคือปราณีตไอสันโตคือสะพบทาไมมันถึงสะบอ่ะเพราะรู้อย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้อย่างหนึ่ง มันชัดเจนความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะชัดเจนว่ารู้ไี้อย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจนั้นอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ในคราที่เรากำหนดเรายกจิตเข้าไปรู้เนี่ยกาหนดลมหายใจออกกาหนดลมหายใจเข้ามันเป็นเหมือนตัวเดียวกันมันแยกอะไรไม่ได้แต่เราต่อเนื่องแน่วแน่อยู่กับลมหายใจนั้นแหละลมออกลมเข้ารู้ลมออกลมเข้ารู้ลมออกลมเข้ารู้ลมออกลมเข้ามันจะเกิดการสั้นโต สกอบคือมันจะเริ่มแยกกันออกมาปานีโตมันเกิดความละเอียดคือชัดขึ้นระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับลมหายใจอกับจิตที่รู้มันชัดขึ้นเพราะมันแยกกันชัดเจนอย่างนี้มันเกิดสั้นโตปานีโตเมื่อมันแน่วแน่อยู่อย่างนั้นมันจึงเกิดอาเซจนาโกอาเซจนาโกแปลว่าแช่มชื้นมันไอจิตรู้ที่มันรู้ก็ไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่เริ่มต้นต้นกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออก มันรู้ก็ไปแล้วลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั้นมันเกิดความแช่มชื่นในรู้นั้นจิตก็อยู่กับความแช่มชื่นนั่นแหละเราเรียกตรงนั้นว่าปราโมทปราโมทมันอยู่ระหว่างปิติกับสุขมันอยู่ระหว่างปิติปิติมันอิ่มใจอย่างแรงคือความลิงโลดของจิตเป็นความบันเทิงบันเทิงบันเทิงพอบันเทิงไปสักพักหนึ่งมันก็จะสะบบตัวลงมาแล้วมันก็เกิดความเป็น เอ่อราเริงและในที่สุดมันก็เกิดความสบายคือความสุขสุ ข, ขะตัวนั้นนะแปลว่าสบายพอสบายแล้วทีนี้มันไม่ไปที่อื่นกายรู้อยู่ตัวนั้นพระเจ้าว่ากายนิ่งคือกายไม่หวั่นไหวจิตก็ไม่หวั่นไหวหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาแยกกันชัดเจน แยกกันชัดเจนในทีของมันที่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะในรู้นั่นแหละมันแยกกันชัดเจนพอแยกกันชัดเจนตัวที่จะยกเข้าไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจไม่มีอ่าทำไมถึงเกิดกรณีนี้ขึ้นและทำไมจึงต้องเป็นกับลมหายใจเพราะอย่างอื่นเป็นไม่ได้เนื่องจากว่าเราสมมุติขึ้น กับอย่างอื่นเป็นไม่ได้เพราะเรากำหนดขึ้นถูกไหมแต่ลมหายใจเราเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้นั่นหมายความว่าลมหายใจเขามีอยู่แล้วแต่พวกอื่นสิ่งอื่นเรากำหนดให้มันมีให้มันเป็นขึ้นแล้วจึงเราจึงไปรู้เข้าใจยังเรากำหนดให้มันเกิดขึ้น อ, อย่างพวกมือเงี้ยมันตั้งอยู่อย่างนี้แต่เราไม่อย่างนี้เราให้กาหนดหมันเป็นอย่างนี้ เรากำหนดให้มันเป็นขึ้นมีขึ้นใช่ไหมเมื่อใดที่เราไม่ได้กำหนดให้มันเป็นขึ้นมีขึ้นมันเป็นมีมีไหมไม่มีเราต้องตั้งใจกำหนดให้มันเป็นขึ้นมีขึ้นมันจึงเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจกำหนดให้มันเป็นขึ้นมีขึ้นมันไม่มีแต่ลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขามีของเขาอยู่แล้วถูกไหมถูกถูกใช่ไหมนี้เราจึงมีแค่ตั้งใจเข้าไปเพื่อกาหนดรู้ เมื่อเราตั้งใจเข้าไปกำหนดรู้ไอการยกจิตเข้าไปรู้กับจิตที่ไปคลออยู่กับลมหายใจนั้นน่ะมันจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มันเป็นและเมื่อมันตั้งใจยกจิตเข้าไปและคลออยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยืยื่อ ย, อยอการที่ยกจิตเข้าไปก็ชัดอาการคลอของ จ, จิตก็ชัดลมหายใจก็ชัดมันก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื ย, รยมันก็จะตัด อ, อย่างอื่นออกไปมันเหลืออยู่แค่เนี้ย เม ts, so fever, ites, ื่อเหลือแค่ลมหายใจกับจิตที่เข้าไปยกและคลออยู่กับลมหายใจมันก็เกิดการอิ่มขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของมันจิตก็จะอิ่มจะบันเทิงจะนิ่งจะจะจะเจิดจ้าอยู่ในนั้นและไออาการนั้นที่เกิดขึ้นมามันก็จะสบายมันก็ตามธรรมชาติของมันสักพักหนึ่งเราดูอยู่กับมันอยู่เรื่อยๆมันก็จะสหบตัวลงมาเวลาก็สหบตัวลงมามันก็จะเกิดอาการสบายความราเรื่อนของจิตก็เกิดวานพระพุทธเจ้าจึงตรัส สันโตปนีโตเซจนาโกเนี่ยมันเป็นหลักของธรรมชาติในการภาวนาเสร็จแล้วลมหายใจยังอยู่ไหมอยู่จิตเด้งกลับมาแล้วคือไม่ยกไปเพื่อรู้ลมหายใจและไม่คลออยู่กับลมหายใจแล้วเข้าไปไหนอ่ะในขณะที่สติยังเกิดอยู่มีอุเบกขาปรากฏจิตหลีกออกจากลมหายใจออกลมหายใจเข้าทําไมถึงหลีกออกเพราะเขาปล่อยความกําหนด เขาปล่อยเจตนาเขาปล่อยสัญญาเข้าใจว่าอันนี้เราเรียกว่าจิตตะสังขานรนะครับสัญญาและเจตนาก็คือจิตตสังขารเข้าใจป่เข้าใจต้องทำไม่ถึงนะหายง่วงเลยใช่ไ ทำไมถึงหายว่วงวะเพราะมันรู้สึกว่าตั้งใจฟังมากเห็นความตั้งใจยังความตั้งใจฟังมากมากมันทําให้ตื่นขึ้ น, นมาความวง่วงมันก็หายไปว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาภาวนายกขึนก้นมาเออที่ผู้ได้ฟังเนี่ยเมื่อจิตปล่อยกําหนดปล่อยเจตนาปล่อยสัญญา คือเห็นแล้วรู้ชัดแล้วคือมันไม่จําเป็นต้องไปท่องว่าจิตตะั่งฆ่ารังอัตสิทธามีติสิกติจิตตะั่งฆ่า Bus. รังปัตสิทธามีติสิกติปัดซัมพยังจิตตะั่งฆ่ารังอัตสิทธามีติสิกติปัดซัมพยังจิตตะั่งฆ่ารังปัตสิทธามีติสิกติมันไม่จําเป็นต้องไปท่องนะท่องงานแล้วเร า, เราละโม่แล้วใช่ไหมแต่แค่ผู้ได้ฟังไล่าตามอารมณ์ภาวนาเราก็รู้อะ เราเข้าใจเขาพอ เ, เข้าใจเขาหมายความว่าเมื่อจิตออกจากลมหายใจไม่ได้ไปกําหนดรู้เขาแล้วมีสติอยู่อุเบกขามันก็เลยเกิดไงอุเบกขาหมายความว่าความนิ่งสภาพที่จิตไม่ได้ไปรู้อะไรเลยแล้วก็นิ่งอยู่ขณะนั้นมันจะปรากฏตอนไหนในการรู้ลมหายใจเขาจะปรากฏตอนไหนตอนที่ลมหายใจไม่เคลื่อนเออ ตอนที่ลมหายใจไม่เคลื่อนเข้าใจไว้เราหายใจออกแล้วลมหายใจหยุดเราหายใจเข้าและลมหายใจหยุดลมเราหายใจออกลมหายใจหยุดเราหายใจเข้าลมหายใจหยุดนั่นหมายความว่าเมื่อจิตปล่อยตัวกาหนดสัญญาและเวทนาเจตนาออกไปลมหายจิตก็จะมาอยู่กับความนิ่ง ไวความนิ่งพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าจิตสร้างเวดีอปัตสัมปัังจิตสร้างข่ารังอา ศ, าศิซามีติสิกะริให้ศึกษาว่าเราทำจิตสังขารให้รลงครับหายใจออกจิตสังขารระครับก็คือการอะไรการไม่มีกำหนดใดๆทั้งสัญญาและเจตนา ที่จะมุ่งกาไปเพื่อฟานหาลมหายใจพอมันเป็นสั้นโตปนีโตอาเซจานโกความราบเรียบราบรื่นความราเริงความรื่นเริงความสดชื่นความละเอียดของจิตมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยมากเรียกว่าทั้งนอกทั้งในไม่มีการเคลื่อนไหวพรามันไม่มีการเคลื่อนไหวลมหายใจของเราก็มาตามความต้องการของธรรมชาติของกาย มันจึงหายใจเข้าหายใจออกนา น, น, านทีไม่ใช่ว่ามันจะหายใจแบบเวลาเราตั้งใจใหม่หมเห็นไห ม, มเดี๋ยวแต่เมื่อท่านโตปณีโตอเาเสจานโกเกิดลมหายใจที่เขามาเองตามธรรมชาติเมื่อร่างกายต้องการมันจึงหายใจออกเมื่อร่างกายต้องการมันจึงหายใจเข้าเมื่อร่างกายต้องการมันจึงหายใจออก เมื่อร่างกายต้องการมันจึงหายใจเข้าซึ่งมันไม่ต่างกันกับอันตมาจับก า, าน้ำชามาเนี่ยพูดอยู่ด้วยรินน้ำชาใส่แก้วด้วยดูนะในระหว่างนี้หายใจไหมหายใจไปตามอะไรตามความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นตามธรรมชาติมีการกำหนดไหมมีสัญญาไหมไม่มีไม่มี เพราะะนั้นนรรู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้าต่อเนื่องไปจนจิตเป็นสันโตปนิโตอเสชนะโกมันมีสติอยู่กับอุเบขาที่นิ่งอยู่จิตก็ปล่อยสัญญาและเจตนาออกไปเพราะฉะนั้นลมหายใจมันจึงมาแต่มันมานานๆครั้งเมื่อมันอยู่กับความนิ่งมีสติรู้อยู่กับอุเบขาเมื่อลมหายใจมาจิตแค่รู้ว่าลมหายใจเคลื่อนออก พอลมหายใจเคลื่อนออกสุดมันหยุดจิตก็อยู่กับอะไรอยู่กับอุเบกขาด้วยสติใช่ไหมมีสติอยู่กับอุเบกขาเนี่ยแหละเพราะตัวสัญญากับตัวตั้งใจต่างกําหนดต่างๆมันมันถูกวางไปหมดแล้วมันก็พุงลมหายใจจะไหลเข้าเริ่มเคลื่อนจิตก็แค่รู้ว่าลมหายใจเคลื่อนเหมือนเราพอนั่งอยู่ในป้อมยามอะตอนเนี้ยนั่งอยู่เฉยๆพอรถมาปื้มันก็แค่รู้ว่า ทะเบียนหกสามสามหกมาแล้วไม่ได้บอกเว้ยนะทะเบียนหกสามสากจดไปอ้อไอ้นุนออกนั่งนั่งนงเดี๋ย ว, ยวรถคันอีกคันมาอีกซึ่งนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปกันไหนไม่ต้องวิ่งไปตามไม่ต้องวิ่งไปข้างนอกไม่ต้องวิ่งเข้าไปข้างในนั่งอยู่ที่ป้อมยามคะัอันนี้ก็มาไปดูไปยืนดูได้ที่ปากปากซอยนี่ก็เหมือนกันเมื่ออุเบขาปรากฏ สติอยู่กับอุเบกขานั้นเมื่อลมหายใจเคลื่อนเราก็แค่รู้ลมหายใจที่เคลื่อนตามความเป็นจริงของลมหายใจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของกายอันนี้คือสภาวะของการภาวนาที่ชื่ออนาปานสติเมื่อเราเดินมาถึงขั้นนี้เราก็ได้คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าว่าอาศัยิ อาศัยวิเวกวิรักขนิโรธอาศัยวิเวกวิเวกตรงไห น, นอะจิตอาศัยวิเวกจิตอาศัยวิเวกตรงไห น, นวิเวกก็คืออะไรก็คืออาการที่จิตไม่ต้องไปยกไปคลอไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องอะไรเลยกายก็วิเวกจิตก็วิเวก กายทวิเวกอยู่คือนิง่งอ้าจิตที่วิเวกอยู่ก็คือไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปเสวยอารมณ์อันอื่นใดอยู่กับอุเบกขาที่เป็นความนิ่งอย่างมีสตินั่นคือวิเวกอัน น, นี้มันจะเกิดอะไรล่ะทุกครั้งเลยต่อไปนั้นหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเอ อ, อภิปปาโบจ ย, ยังอืวิโบจ ย, ยัง อาพิปรโรจะยางนั้นคือความบันเทิงอย่างยิ่งนะบันเทิงจิตจะบันเทิงอาการของจิตจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจิตแค่รู้ลมหายใจแล้วก็อยู่กับอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นอะไรเกิดก็เห็นมันอะไรเกิดก็เห็นมันอะไรเกิดก็เห็นมันพระพุทธเจ้ายัางทรงเบตตาให้ไว้ประโยคหนึ่งสำหรับนักหลงสภาวะเพราะว่าหลายคนแตเราคุยคุะปฏิบัติธรรมนะ เก้าคนสิบคนเนี่ยยี่สิบคนนี่สิบเกคนเป็นอย่างต่ำฉันนั่งนะเนี่ยฉ erm. ันเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นบางคนก็พูดว่าตัวเองได้ตามหนังสือที่ตัวเองอ่านมาบางคนก็เนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้นเป็นอย่างนู้นคือไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วเป็นแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วเป็นแน่วแน่กับพระรัตนตรัยแน่วแน่กับศีลแน่วแน่กับทุก ก็ไป้สิ่งที่เป็นธรรมก็คือทําสิ่งที่เป็นอกุศลก็คืออกุศลนี่ไม่มีส่วนมากแล้วก็จิตอย่างอานาปานนสติเนี่ยรู้ลมหายใจไปสักพักเดียวเดี๋ยวมันก็หลุดออกจากลงมหายใจแล้วมันก็ไปลงร่องตามสัญญาที่ตัวเองเคยเป็นลงร่องตามสัญญาที่ตัวเองเคยเป็นอาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นซึ่งทั้งหมดอะที่หมุนอยู่ในนั้นอะเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติทั้งสิน้นเออ เพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้น For ี่แรงนะแรงนะแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยทำไมถึงพูดวราเป็นวิชาสติอ่าทำไมจึงพูดเราเป็นวิชาสติทำไมจึงพูดเ่าเป็นวิชาสมาธิเพราะสติหน้าขณะนั้นไม่มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานให้เป็นที่ตั้งทำไมจึงเป็นวิชาสมาธิ เพราะไม่ได้ตั้งมั่นที่รูปที่นามไม่ได้ตั้งมั่นที่กายเวทนาจิตธรรมไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่ขันธ์ทั้งห้าอย่างมีสติเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมิจฉาสมาธิอยู่แล้วมันจึงเป็นสัมมาไอเอ่อมิจฉาสติอยู่แล้วสติและสมาธิที่เกิดในธรรมชาติที่ชื่อว่ามิจฉามิจฉาทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะทำให้ได้คุณพิเศษนะ โอ้ยมันได้หลายอย่างเลยอะเราไม่เห็นเหรอเราบางคนทำไมเขานั่งสมาธิแล้วมานั่งบอกหวยอะว่ามันเห็นจริงเว้ยอ่ะมานั่งสมาธิแล้วก็มานั่งบอกหวยเนี่ยเงี้ยเลขนั้นนะออืบางคนก็เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปบางคนก็เป็นนั่นเป็นนี่ไปก็เยอะแยะในสมัยพุทธกาลเขาก็มีกันเยอะแยะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเอง ก็สวยงาตามสังนักต่างๆมาจนอย่างนี้แหละมันเยอะแยะไปหมดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพิทูทั้งหลายเมื่อคราที่เราจะตรัตตรู้ทําอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่เพียงอันเดียวคืออาณาปานสติเมื่อเราเข้าสู่องค์ธรรมอันเป็นลำดับแห่งการตรัตตรู้ทําอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่คืออาณาปานสติหลังจากที่เราตรัตรู้แล้วทําอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการเป็นเครื่องอยู่คืออาณาปานสติ ปิกสุทั้งหลายเมื่อยามที่เธอพิจารณาเห็นสิ่งซึ่งเป็นปฏิกูลสิ่งหนึ่งที่เธอจะต้องอยู่ให้ได้คืออาณาปานสติเมื่อใดที่เธอพิจารณาถึงสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ปฏิกูลแต่สิ่งหนึ่งที่เธอต้องอยู่ให้ได้คืออาณาปานสติเมื่อเธออยู่กับอาณาปานสติแล้วจะเป็นอสุภะก็ดีจะเป็นปฏิกลก็ดีหรือไม่ใช่อาสุภะก็ดีหรือไม่ใช่ปฏิกูลก็ดีถ้าเธออยู่กับอาณาปานสติเธอจะเข้าสู่สัมมาสติและสัมมาสมาธิ เออถ้าอยู่กับอาณาปานสติมันจะอยู่ในเส้นทางที่เดินไปถึงแน่นอนและตรงนี้มันจะอันตรายอันตรายตรงไหนอ่ะที่แยกที่ที่พูดพยายามพูดให้มันละเอียดเข้ามาเพื่อถึงตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ปะ่ะพราเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื ย, รยคราหนึ่งที่ลมหายใจมันหายไปเรารู้สึกยังไงลมหายใจหายอ่ะรู้สึกไงเรื่องใหญ่มาก ตกใจหลายคนเคยเจอไหนใครเคยเจอยกมือหลายคนหนึ่งสองสามเนี่ยหลายคนเจอเจ อ, อยังคือรู้ลมหายใจไปเรื่อยอยู่ๆลมหายใจหายจิตรู้อยลมหายใจหายวะตกใจแล้วจริงๆลมหายใจยังไม่มาถูกปะ่ะพอหายเราทำไงหาลมหายใจพอหาลมหายใจจิตไปไหน<ม>ก็เข้าสู่จิตปกติก็ต้องไ ต, ต่เต้ากันไปใหม่ เมื่อลมหายใจหายถ้ามีสตินั่นคือสภาวะของอุเบกขาที่เรียกว่าอุเบขาสันถาติอุเบกขาสันถาติก็คืออุเบกขาปรากฏอุเบกขาปรากฏมันไม่ได้มาเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนน้ำร้อนน้ำชายอย่างนี้อุเบกขาปรากฏก็คือว่าในสภาวะที่จิตหลีกออกจากลมหายใจคือไม่ไปกำหนดแล้วไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีการที่จะไปกำหนดรูลมหายใจแล้ว มันลีกออกมาจากลมหายใจแล้วมีสติอยู่มันจึงเป็นอุเบกขาตรงนั้นเมื่อมันเป็นอุเบกขาตรงนั้นลมหายใจจะมาสติอุเบกขาที่มีสติมันก็จะแค่รู้ลมหายใจที่เคลื่อนแค่รู้ลมหายใจที่เคลื่อนอันนี้แหละเรียกว่าสบูดาหัง่งคือการตั้งมั่นของจิตและตรงนี้มันจะทำให้เห็นตามความเป็นจริง มันจึงทำให้เห็นตามความเป็นจริงที่ว่าอย่าท่าภูาตังประชาาติรู้ตามความเป็นจริงอ่ะด้วยจิตที่ตั้งมัน่นซึ่งเรียกว่าสุสมาฮิตโตจิตที่ตั้งมั่นทีแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นอะไรตามความเป็นจริงเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับสติทีนี้มันลืมตาขึ้นมาอย่างนี้อุเบกหายังปรากฏสติยังทรงตัวอยู่มันก็ยังเห็นได้อยู่เพราะนั่นคือความเป็นกลางของจิต จิตจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่เข้าอยู่นิ่งอยู่กับความเป็นกลางไม่โหยหาถึงนิมิตหรือสภาวะอันอื่นใดที่เคยเกิดและดับไปแล้วเพราะว่าสภาวะอันใดที่มันเคยเกิดและก็ดับไปแล้วแต่เรามีตัณหาคือความยึดติดความชอบในนิมิตในในในสภาวะนั้นนั้นมันก็จะทำให้จิตเรานี่พยายามไปประคองพยายามไปขุดพยายามไปดึงพยายามไปลากเข้ามา ซึ่งอันนั้นไม่ไม่เป็นกลางแล้วไม่เป็นกลางแล้วบางทีมานั่งเศร้าเสียอกเสียใจทำไมแต่ก่อนมันเคยได้อย่างนี้่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อาการที่เป็นอยู่นั่นแหะคือตัณหาล้วนๆตัณหาล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดแค่คำเดียวเอกธรรมโบทำอย่างหนึ่งทำให้ได้ทำสี่อย่างเหมือนเมื่อเช้าว่าจะมาขยายความวันนี้ตอนเย็นต้นบ่าย ทำสี่อย่างทำให้ได้ทำเจ็ดอย่างทำเจ็ดอย่างทาให้ได้ทำสองอย่างก็มันมีเหตุผลและลำดับที่ไปที่มาอย่างนี้ทีนี้ไอ้สติเมื่อเมื่อสตินิ่งอยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏนักขณะนั้นและการประคองให้จิตที่เป็นไปอยู่ต่อเนื่องอย่างในขณะนั้นพอกลมหายใจเคลื่อนปั๊บจิตไปแค่รู้ลมหายใจ แค่รู้ลมหายใจแค่รู้ลมอาการที่ประคองให้จิตมันแค่รู้ลมหายใจอยู่กับวิเวขาอันตัวนั้นคือสติสัมโพชฌงค์เริ่มมาแล้วใช่ไหมไอของเจ็ดอย่างมันเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ไปไวไปวันหลังเอาตรงนี้ก่อนนี้มาถึงคำที่พระพุทธเจ้าว่ากายกายานุปัสสีกายกายานุปัสสมิงกายสสมิง วิหารติหมายถึงว่าจิตรู้กายในกายคืออะไรเขาว่ารู้กายในกายตรงนี้พระเจ้าว่ารู้กายในกายอะไรคือกายในกายลมหายใจคือกายจิตรู้กายในกายทําไมลมหายใจจึงเป็นกายในกายอ่ะทําไมลมหายใจจึงเป็นกายในกายเพราะกายใหญ่ใช่ไหม เออกายใหญ่ลมหายใจนี่เป็นกายอันหนึ่งในกายใหญ่กายทั้งหลายนี้เพราะเมื่อใดที่กายนี้ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีเมื่อใดที่ลมหายใจไม่มีกายนี้ก็ไม่มีเพราะลมหายใจจึงเป็นกายหนึ่งในกายนี้มันเริ่มต้นที่เราเริ่มภาวนาเราตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจนั่นคือการตั้งใจกำหนดรู้ กายในกายและเมื่อเราทำไปเรื่อยๆจิตปล่อยความกำหนดออกหมดแล้วประวางสัญญาและเจตนาออกหมดแล้วอยู่กับอุเบกขาที่มีสติอยู่ตั้งมั่นอยู่เมื่อลมหายใจมาจิตแค่รู้ลมหายใจเข้าจิตแค่รู้ลมหายใจออกอันนี้เรียกว่ารู้กายในกายตัดความตั้งใจออกไปหมดแล้วเนี่ยรู้กายในกาย สภาวะที่เกิดการแค่รู้กายในกายเนี้ท่านกล่าวว่าไงในการประคองนั้นตัวเนี้ยมันเกิดความสมบูรณ์ที่เป็นองค์คุณของของของจิตก็คืออาตาปีสัมปัญโนสติมาวิเนยโลเกออภิชาโทโมานัสสังอาตาปีนั่นคือการเพียนแผดเผา <c oughs> อาการเพียนแผดเผาคืออะไรเรามาพูดถึงนิวรณ์ก่อน นี่วอนจะโผล่มาได้ไหมโผล่ได้ไห ม, ไมไออกก้อนหินก้อนใหญ่ๆไปวางแผะอยู่บนกองหญ้ายอดหญ้าจะมีโอกาสที่จะตั้งชูชันไหมไม่มีไม่มีเออตอบเสียงชัดเจนดีไม่มีรางวัลยอดหญ้าจะมีโอกาสชูชันขึ้นมาไหมไม่ ม, ม, มีนี่คืออะไรอาตาปีซัมปชาน คืออะไรคือการรู้ตัวรู้พร้อมสัานปชาโนนี่คือการรู้ตัวในขณะนั้นสติที่อยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏมันจะเกิดความรู้ทั่วทั้งตัวอะไรเคลื่อนไหวปับรู้อะไรเคลื่อนคว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือวาอะไรเคลื่อนไหวปับรู้อะไรเคลื่อนไหวปับรู้อ ะ, รรรร อ, อ, อะไรเคลื่อนไหวปับรู้อะไรเคลื่อนไหวปับรู้รู้ทั่วไปหมด แต่แต่อะไรไม่หมกมุ่นไม่ปล่อยให้เกิดการปรุงแต่งและการครุ่นคิดแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ในที่สุดลมหายใจซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่นะมันก็เลยเกิดขึ้นมาจิตก็จะแค่รู้อาการที่จิตไปแค่รู้ลมหายใจที่มันไหลอเองตามธรรมชาตินั่นแหละคือตัวซัมป์ปชาดโดสภาวะที่รู้ตรงนั้นเรียกว่าสัมป์ชาดโดสติมาคืออะไรความมีสติ ความมีสติตรงนั้นมีจริงๆมีจริงแล้วเพราะถ้ามันไม่มีสติอยู่สติมีสติที่มีอยู่บนอุเบกขาอันนั้นคือความมีสติถ้าไม่มีสติไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นได้วิเนยะโลเกอพิชาโทมณสังเห็นไหมตรงนี้คือความเป็นกลางวิเนยะโลเกอพิชาโทมณสังคือถอนความรัก ความชังถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตเพราะเมื่อ ไ, ไดที่มันเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจความตั้งมั่นตรงนี้แตกนันสภาวะที่ว่าในขณะที่สติสตอยู่บนอุเบกขาที่ปรากฏตอนนั้นจะเป็นอภิเฉยอวินนยะโลเกอภิชาโทมนะสัง เพราะมันไม่มีรักไม่มีชังอยู่ในนั้นแค่ตอนที่เราตั้งใจกาหนดรู้ลมหายใจเอายกจิตฟุบเข้าไปอย่างระลึกลมหายใจพอลมหายใจออกเริ่มต้นลมเลยจิตเข้าไปคลออยู่กับลมหายใจรู้ที่ยกเข้าไปสู่ลมหายใจซึ่งเป็นตัวที่เราตั้งใจกาหนดรู้นะแม้แต่รู้ตัวนั้น ที่ย์มาเคยพูดว่ามันเป็นอานิสิตะเพราะอะไรเพราะในขณะที่เขายกเข้าไปรู้นะ่ะลมหายใจที่เคลื่อนมานั่นนะจิตยกเข้าไปรู้มันก็ไม่มีตัณหามาหน้าทิถีแล้วอืมันไม่มีรักไม่มีชังแล้วเวลามันจะรักมันจะชังขึ้นมามันจะออกจากร่มหายใจมันก็จะไปปรุงแต่งอยู่ข้างนอกอืมแต่ อภิชาวิเนยะโลเกออภิชาอภิเฉออภิชาวิวเนยะโลกออภิชาโทมณสังนี่ที่มันเกิดขึ้นตามองค์ของอุเบกขาที่มีสติเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกลางจริงๆมันเป็นกลางจริงๆทีนี้สิ่งที่จะปรากฏอา่าสิ่งที่จะปรากฏอยู่กับอุเบกขาที่มีสติอยู่ที่ว่าเนี้ในบาลีมีกล่าวไว้บางที่ อัตสาสะปัตสาส า, ส า, สาจิตตังวิวัตติอุเบกขาสันถาติหมายความว่าจิตหลีกออกจากลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วอุเบกขาปรากฏสติก็ปรากฏอยู่บนอุเบกขานั่นคือความตั้งมัน่นทีนี้อีกตัวหนึ่งที่บอกว่าอาศัยวิเวกสติเนี่ยเอาสติสัมพชง สติสามโพชฌงค์ที่มันเกิดเนี่ยต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธสมาธิธรรมวิจยะสามโพชฌงค์ที่จะปรากฏก็ต้องอาศัยอาศัยอะไรอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธทุกตัวเลยในโพชฌงค์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ จะต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธนี่มันยังไม่ใช่หมดกิเลสนะอาศัยวิเวกก็คือวิเวกตรงนี้มันแยกกันชัดเจนระหว่างกายก็ไม่หวั่นไหวนิ่งปวดมันก็แค่รู้มันก็อยู่ของมันจิตก็ไม่หวั่นไหวรู้นี่แยกออกมาชัดเจนเนี่ยเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวก อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะคือการสํารอกออกซึ่งความยินดีสํารอกออกอยิ่งความยินดีก็หมายความว่ า, วาหยุดการรักการชังความพอใจความไม่พอใจถูกหยุดหยุดลองอันนั้นคือตัววิราคะนิโรธหยุดดับการปรุงแต่งอจสิ่งที่มันจะต้องอาศัย แล้วธรรมวิจยะก็คือการพิจารณาศึกษาจิตที่เข้าไปตรึกไปตรองศึกษาในชั้นของสมาธิที่ในชั้นของอุเบกขาที่มีสติอยู่เนี่ยโดยอาศัยเวกวิราคะและนิโรธนั่นเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ของความรู้ที่จะเกิดนี่มันจะเริ่มสว่างสวยัยทำไมไม่ง่วงอะ เพราะจะามพจชงทุกตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสี่ทำให้ได้เจ็ดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดไม่มีการขัดแย้งสอดคล้องกันไปหมดเราจะจับมหาสติปัฏฐานมาก็ได้ธรรมจักกบปวัตนสูตรมาก็ได้ในธรรมจักกบปวัตนสูตรเราได้ยินใช่ไหม จะคุกรณีญาหการณีอุปสมัยยาพิญญายาสัมโพชายานิบานายาสังวรตติือมันเป็นไปเพื่อนิพผานหมดอนะมัน ม, มีหมดอ่ะมันไปด้วยกันหมดถ้าของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอาจจะไปขัดกันกลางๆ ก, ก็ไม่แน่ไม่รู้นัก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่ถ้าของพระพุทเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มั่นใจให้มั่นใจว่าเราอยู่กับลมหายใจ มันเหมือนกับการตีตัวรถไฟแล้วขึ้นไปนั่งในเลขที่ของตนแล้วแล้วในที่สุดมันจะเกิดอะไรเออในที่สุดมันจะเกิดถ้าเราแน่แน่อยู่กับลมหายใจมันจะเกิดอะไรกําลังของสติและสมาธิที่มีอยู่นั้นมันจะทำให้เกิดการเห็น กำลังนี้สําคัญมากกําลังของจิตที่มีความตั้งมั่นอยู่ตามลําดับตามกําลังของมันเนี่ยมันจะเห็นตามกําลังของความตั้งมัน่นอืเห็นอะไรอฮะเห็นอะไรตาความเป็นจริงอืมอืมไอ้ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้รู้ลหมหายใจเลยเห็นไหมวะ เห็นเกิดเห็นดับไหมมันเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันนะแต่เห็นแล้วมันไม่ถึงอ่ะเหมือนกับกินแกงที่ไม่ถึงเครื่องอ่ะเห็นเหมือนกันนะเห็นแต่เห็นของคนอื่นเห็นของคนอื่น เห็นตามที่ได้อ่านมาเห็นตามที่ได้ฟังมาเห็นตามที่ได้ศึกษามาแต่ไม่เห็นของตนเองตัวที่จะทำให้เราเห็นและประกาศชัดว่ามันเป็นพัฒนาการของการปฏิบัติแน่ๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่นิมิตมันไม่ใช่สัญญามันไม่ใช่สภาวะอะไรตัวที่จะต้องเห็นคือความคิดในจิตที่ปกติ ในจิต ท, ที่ปกติเราจะต้องอาศัยสติและสมาธิที่เราฝึกฝนเนี่ยมาเห็นความคิดความคิดของจิต ท, ที่มันอาศัยกายนี้ตั้งอยู่เกิดขึ้นเคลื่อนเป็นอกุศลวิตกเห็นความคิดไม่ดีเห็นปั๊บไอเขาหยุดไม่อยู่ในอำนาจของมันไม่เกิดการห ม, มุนเวียนอะไรคุณคิด ไอ้เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่เป็นธรรมชาติของจิตพอเราเห็นปั๊บไม่อยู่ในอำนาจของมันมันก็จะไงดับนี่แหละจึงจะเห็นเกิดและดับปกติปิดจะไหมเอ๊ะจะบ้าอาจารย์พาเผยใช่ค่ะปกติปิด พอมันไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วมันปีตขึ้นมาตอนมันปีตนันเป็นอะไรมันกินใจไปเรียบร้อยแล้วฮะมันไม่ใช่เกิดนะมาเอิมมันยึดพื้นที่ใจไปทั้งหมดแล้วอย่างนั้นไม่เห็นแล้วจ้ะตบก็หายไปสองทีแล้ว มารื้อสุกตัวอีกที อ, อะอยู่โรงพักจ่ายค่าปรับแล้วอย่างนั้นไม่เห็นนะเออไม่เห็นเห็นแล้หมายความว่าจิตที่มันอาศัยกายแล้วมันกระทบปับ๊บมันเกิดอกุศลขึ้นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลมันเกิดอยู่ในระหว่างอิริยาบถใดหนึง่งยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ หรือกึงยืนกึงโดนไอ้กึงเดือกึงนอนกึงนั่งไม่ว่าอิริยาบถไหนอ่ะมันสามารถที่จะเกิดได้แต่พอเกิดปั๊บเห็นปุ๊บพอเกิดปั๊บเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บจิตถูกกั้นออกมาตัวสติและสมาธิที่เราฝ้ารู้ลมหายใจเขาจะทำหน้าที่กั้นไม่ให้จิตเข้าไปเสับเวย ในอารมณ์ที่มันกําลังเกิดคือในความคิดที่มันกําลังเกิดถ้าไม่มีสติสมาธิที่ถูกพัฒนาให้เป็นสัมมาสติและสัมมาสมาธิจะไม่สามารถที่จะกั้นได้ไม่สามารถที่จะกั้นได้ที่อธรมาพูดในฝั่งนี้ไม่ได้หมายความว่าฉันตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อให้มันไปกั้นอกุศล น, นะแค่เราแน่วแน่กัรลมหายใจอย่างถูกวิธีต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่อย มันจะเป็นองค์ความรู้ปรับภูมิจิตของเราให้มีกําลังที่ว่านี้ขึ้นมาเองไม่ใช่มันเกิดเองโดยธรรมชาตินะแต่เขาจะปรับภูมิจิตให้มีกําลังที่ว่านี้ขึ้นมาเองสติเตสังนิวรนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์ของบาปประธรรมอันพระพุทธเจ้าจึงตรัสเลยจีรังวายดิวาติทั้งนิสินโดอุดวาสยังวิตตะกังวิตตเกติ ปาเปกังเคหะนิสิตังพภูตาอ่าุมมัคคังปฏิปันโดโซโบหะเนยเยสุมุชชิโตพูดคํานี้ทีไรแล้วแม่น้ําตาจะไหลใยความเมตตาพระพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าโบหะเนยเยสุมุชิโ ต, โต เ, oh เข้าใจไหมมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนที่ไหนในโลกนี้ไม่มีใครมาสอนเราแบบนี้อีกแล้วนอกจากพระพุทธเจ้านะ คำว่าโมหตโมหะในเยซูมุสิโจหมายความว่าเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นครอบคําจิตจิตเราตกอยู่ใต้อํานาจของอกุศลนั้นมันสําเร็จหนึ่งครั้งจิตเราจะถูกอํานาจของโบหะห้อมล้อมทํากําแพงอยู่หนึ่งครั้งแล้ววันหนึ่งเรามีความคิดเป็นอกุศลกี่ครั้งที่เกิดขึ้นกําแพงของโบหะมันหนาไปขนาดไหนที่ตกผลึกออกไปเป็นอวิชชาสะวะ เราไม่อาจที่จะลุกขึ้นมาออกจากทะเลแห่งการเรียนไหว้นี้ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทเจ้าถ้าไม่มั่นคงอยู่กับลมหายใจไม่เจาะทะลุให้กำแพงกองอาสวะนี้เข้าไปได้โบหะเนยเยซู ม, มูสิโตทุกครั้งที่ความคิดถึงเป็นอกุศลเกิดขึ้นที่จิตและเขาสําเร็จกิจของเขาในที่สุดพอทุกครั้งที่เขาสาเร็จเขาจะเพิ่มอํานาจของโบหะเข้ามาหุ้มห่อจิตเราให้มันมืดมิดจมอยู่ในทะเลนี้ทุกครั้งเลยพระพเจ้าเราบอกว่า อภพโพตาดีโซภิกุพุทธุ่งสัมโพธิมุตตะมังผู้นี้ไม่ควรไม่สามารถที่จะเดินอยู่เส้นทางที่ชื่อว่าสัมโพธิมุ ต, ตมได้ในทางกลับกันในทางกลับกันจิรังวายาดิวติทั้งนิสินโดอุาวสัญวิตกังสมยิตะวันนะวิตตักูปัสมรตูตนี่เห็นไหมโมหะเยเยสุมุชิตโตเมื่อกี้จำไหม โมหะเนเยซูมุสิโตให้จำไว้แล้วก็มาจำอีกคำหนึง่งวิตกปูปั ส, สมบรโตเดินนั่งหรือนอนก็ตามเมื่อมีความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นสมตังสมายตวานะวิตกังสมายตวานะแปลว่าละลายความคิดไม่ดีนั้นให้ออกไปแบบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ละลายมันออกไปโดยที่ไม่ให้มันมีอานาจพอมันเกิดปั๊บนะอย่าไปอยู่ในอำนาจของมันยื้อกับมัน เอาสติกับสมาธิดูมันยืมันดูมันยืมันจนมันดับละลายหายวับไปกับตาที่เห็นไปกับจิตที่ัรรูุสึกสัมผัสอยู่นั้นพอมันรับมันละลายดับไปดับอไปดับไปดับไปมันเกิดวิตักกูปะสเบรโตมันสองคำที่ตรงกันข้ามกันเลยจำไว้โบหะเนยเยซุมุตชิโตไหนพูดสิกับวิตตักกู ปะเสเมระโ ต, นนตจําไว้เลยถ้าเมื่อใดที่เราพ่ายแพ้โตออารมณ์เป็นอกุศลเมื่อนั้นเราพอกพูน<บ>โมหะเนยเยสุโมชิโตเมื่อใดที่เราเห็นมันดับเมื่อนั้นเรามาอยู่ข้างฟังวิตักูปะเสเบระโต ว, วิตักูปะเสเบระโตแปลว่ า, เ ม, าวเมื่อกี้โมหะเนยเยสุโมหะเนยเยสุโมชิโตแปลว่า หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นาธาตุของโบหะคือถ้าเราพ่ายแพ้มาหนึ่งครั้งโบหะก็จะเพิ่มขึ้นโบหะก็จะเพิ่มขึ้นโบหะก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิตกูปสัสมีระโตเราชนะหนึ่งครั้งวิตกูปสัสมีรโตคือมันจะเกิดความยิน ด, ดีในความสะบบวิตัคคือวิตตกใช่ไหมคือความคิดใช่ไหมปัสมีเกืออุปัสมะคือความสะบบ ระโตไปว่าความยินดีมันจะเกิดความยินดีในความสงบอันเกิดขึ้นจากการที่ความคิดไม่ดีนั้นดับอืแล้วคิดดูที่โอ้โหมันมันจะเกิดอศัศจรรย์ขนาดไหนทุกทีไปห้างอะอย่างที่เราเห็นข่าวใช่ไหมบางทีเจอแม่ค้าไอ้คนขายของพวกแคชเชียร์บางทีไอ้คนหนึ่งมันก็ไปพูดต่อรองมันพูดมาไม่ดีโอ้ยอวดสัก โอดใหญ่โอดโตชันอย่างนั้นชั้นอย่างนี้จะตบจะตีด่าว่ากันแล้วแต่ทีนี้ไปเจอเหตุปัจจัยอย่างเดิมอ่ะแล้วมันรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกที่จะไปโกรธไม่รู้สึกที่จะไปเกลียดได้จําแม่นาพินไม่รู้สึกที่จะไปโกรธไม่รู้สึกที่จะไปเกลียดเหตุและปัจจัยอันเดิมนั่นสแสดงว่าสติสมาธิเธอที่มันภาวนาเนี่ยมันทํางานง่ายเธอแล้ ว, ว, ว, วเออ ว, วิทยาคุณวิทยาคุ กวิตะกะอุปสมะและระตะสนธิกันเป็นวิตตะอูปัสมีรโตอพอความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นที่จิตมันจะขยี้ใจเราเข้าใจปะถ้าเราไม่ยอมอยู่ในอำนาจของมันมันจะขยี้ขยี้ขยี้ยจนจิตรู้สึกว่าหนักแต่เราสู้ด้วยอำนาจของสติและสมาธิที่เราอบรมมาเนี่ยเราสู้จนกระทั่งมันดับ ไปต่อหน้าตตาเรี่ว่าตนด้วยสติที่เรารู้และเห็นมันอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปตุกอยู่อำนาจมันจิตก็จะเกิดความเบาสบายตรงนั้นแหละเรียกว่าสหบแล้วเกิดอย่างนี้บ่อยๆชาวไอคนเดิมใช่ไหมคนเดิมใช่ไหมมันเดินเข้ามาคนเดิมสมมุติสมมุติงงงงหาพินบ่อยพินมันเข้าใจเรื่องพวกนี้พอมันเกิดปั๊บเราก็เหตุเดิมใช่ไหม จนมันสงบแล้วก็คุยกับเขาดีๆพอคุยไปคุยไปในระหว่างที่คุยมันมีเหตุปัจจัยของของอกุศลเกิดอีกเพราะมันเกิดอีกให้มันสงบเกิดอีกให้มันสงบเกิดอีกให้มันสงบเกิดอีกให้มันสงบมันสงบเกิดขึ้นบ่อยๆจากการที่อักุศลนั้นดับมันจึงเกิดระโตเกิดความยินดีในความสงบอันเนื่องจากอกขุสลนั้นมันดับมันดับมันดับนี่เรียกว่าธรรมฉันทะ ถ้าเราไม่มีสติสมาธิที่อบรมมาอย่างถูกต้องเป็นสติประถานแล้วไม่สามารถไม่สามารถส่วนมากเราจะหยุดยั้งอกุศลด้วยอะไรกลัวโทษเช่นอยากจะตบหน้ามาทันทีแต่มันพกปืนอยู่ <c oughs> <c oughs> กลัว <c oughs> กลัวมันสวนแต่อกุศลสาเร็จในใจเรายัางสำเร็จแล้ว มันสำเร็จตั้งแต่มันไม่ใช่อยากจะตกนะเน่มันอยากจะตบสักทีแต่มันตกไม่ได้เพราะมันพกปืนอยูเยอ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนั้นอกุศลสาเร็จยังสำเร็จแล้วโบหะเพิ่มกำลังขึ้นแล้วยัง<ต>เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเออด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละจึงให้พวกเราแน่วแน่กับลมหายใจไว้เชื่อเถอะ รู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องตั้งต้นตั้งแต่การกําหนดจนไปเรื่อยๆเรื่อยๆและมันสภาวะอะไดปรากฏก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่ ร, ครู้ในที่สุดมันก็จะเกิดอุเบกขาและมีสติอยู่กับอุเบกขานั้นและก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆสภาวะใะที่เกิดเกิดเกิดเกิดแค่เห็นมันเกิดขึ้นและมันดับไปไม่ว่าจะเป็นเลขสามตัวก็แค่เกิดขึ้นพอมันหายไปก็คือแค่ดับไปพอเป็นเลขสามตัว จดก่อนดีไหมอันนี้คือพอเลขสามตัวบอกจดก่อนดีไหมอันนี้คือปรุงพอเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นคนเป็นเทวดานี่ว่าแค่นี้เสร็จให้เป็นสามประเวสีนี่ว่าจบเป็นเปรตนี่ว่าปรุงหมดเลยปรุงหมดเลยจิตออกนั้นจากว่านนั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้มันดับไปแค่รู้มันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันดับไป เท่านั้นเองแล้วจิตก็จะแน่วแน่อยู่กับลมหายใจจนมันเป็นอุเบกขาและมีสติตั้งอยู่ที่อุเบกขานั้นหลังจากนั้นมันจะเกิดสภาวะที่ละเอียดใดๆก็มาก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นคนที่บรรลุธรรมคนแรกในาศาสนาพุทธคือใครไห้ตอบมาชัดๆดิชื่ออะไรเออแกบรรลุธรรมครั้งแรกเพราะแกเห็นอะไรฮะ ยังกินจิตสมุทัยธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มัง <Okay. S 1> อย่าไปใส่ติสินิโรธาธรร ม, มังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าใจคาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมคือสิ่งที่มันเกิดจ น, จนจิตมันรู้เห็นการเกิดอะจิตมันรู้เห็นการปรากฏจิตมันรู้เห็นการปรากฏจิตมันรู้เห็นการปรากฏอันนั้นหลยเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรร ม, มดาก่อนที่เขาจะเกิดองค์ความรู้นี้เขาเกิดอะไรขึ้นก่อนก็เกิดเครื่องเห็นไงจากขุกรณีจากฟังพระพุทธเจ้าแล่าคล้ายค ร, ครวนพิจารณาตามพิจารณาตามจนเห็นอ๋อมันก็แค่สิ่งใดอันนี้ก็เกิดขึ้นมาก็หายไปอันนี้เกิดมาก็หายไปนี้เกิดมาก็หายไปมันก็มีสภาวะที่มันแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงมีคําว่า อ๋อใช่ไหมอ๋อยาวๆวอ๋อยาวยาวอ๋อ oh. oh. mm hmm. สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดามันแค่นี้เองนี่หว่านี่นะนี่ยตมาต่อเอง <c oughs> อันนั้นคือ <c oughs> เกิดอะไรมันสว่างสวยหมดเลย <c oughs> ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุว่าหาสาระในสิ่งที่ตนเองกําลังหาอยู่ <c oughs> ไม่มี ไม่มีเลยจิตมันก็จะแม้แต่อะไรแม้แต่ขันห้าแม้แต่รูปนามที่เป็นตัวเป็นตนของตนก็หาสาระไม่มีแต่จิตยังมีอุปาทานอยู่อุปาทานของจิตจะแสดงออกอย่างไรในนั้นมันยังมีราคะอยู่ด้มันยังมีโทสะอยู่ด้มันยังมีโบหะอยู่ด้ แต่ราคะโทสะบหะที่จะให้ไประเบวนละเบิดต่อศีลไม่เกิดแล้วกําลังมันเบาลงมาอืมมันยังมีอยู่ซึ่งอุปาทานผู้ที่เห็นควมสว่างของธรรมดังกล่าวนี้มันยังมีอุปาทานอยู่และอุปาทานนั้นถูกส้นเร้นไว้ด้วยอํานาจของราคะโทสะบหะกามาราคะรูปราคะวิจิกิจามานะอวิชย์ยังอยู่ ยังอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อยู่เพราะมันสามารถตอทีแต่ว่าอะไรนี่แหละคนคนนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะมีคุณสมบัติสี่ประการคือมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์และมั่นคงในศีลของตนถ้าไม่เช่นนั้นนะเราตรวจสอบตัวเราได้เราตรวจสอบตัวเองได้ วิธีตรวจสอบตัวเราเองก็ตรวจสอบด้วยสี่เรื่องที่พระเจ้าเรียกว่ากายยักขันโถเครื่องร้อยรัดดูเครื่องร้อยรัดในชีวิตของเราในชีวิตประจําวันของเราอภิชากายยักษันโถเครื่องร้อยรัดคืออภิชาอภิชาหมายความว่ามันมีความอยากที่ฮอกออกมาจากความโลภสามารถที่จะให้เราไปทําทุจริตได้ตัวนี้คืออภิชาแต่ความโลภมันมีไหมมันมีทํางานเดิน เดือนห้าพันอยากจะได้สักสามพันมันเป็นแปดพันนี่เป็นโลกปกติโลกปกติไม่ใช่อภิชาทำงานเดือนละหมื่นแต่อยากจะเพิ่มให้แม่อีกสักสามพันเป็นห้าพันอางอย่างนี้ไม่ใช่อภิชานะอืมไม่ใช่อภิชาแต่ว่าทำงานเดือนละหมื่นแต่สามารถที่จะโกงตรงนั้นได้ เ, เ, รเราเอาตรงนั้นมาได้เราไม่แจ้งตรงนี้เรามาตรงนี้ อ้นนั้นเป็นอภิชาทั้นความอยากที่ฮอกออกมาจากความโลภสำหรับที่จะให้เราไปใช้ในทุจริตไม่เกิดไม่มีอำนาจพอที่จะทำให้เกิดแต่ถ้าตราบใดที่อภิชากายกคันโถเครื่องร้อยรัดใจที่ชื่ออภิชามันยังเกิดอยู่มันยังเกิดอยู่ออยอยตอนนั้น มันยังมันยังต้องพัฒนาอีกเยอะอะไรอยาปอันศีลัพัฒนปรมาโสกายัขันโธการรักษาศีลของตนเองการถือศีลการประครับประคองตนเองให้ดีมันเป็นเพียงแค่การบังคับเพื่อให้ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแต่มันไม่มีสัจจะตรงไปต่อความดีของตนเข้าใจปะ อันนั้นเป็นสี ร, ร, รับพระปรมาสเป็นเครื่องร้อยรัดใจอีกกันหนึ่ ง, งไป ม, มีคนคนหนึ่งมาเริ่มหาเราเลือกเลือกฉันนะฉันตั้งใจที่จะเสียสละเข้าไปเพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาแทนพวกท่านดูแลบ้านเมือง น, นี้ให้มันดำเนินไปด้วยดีเขามาแบบนี้เพื่ออะไรเขามาแบบนี้เพื่ออยากจะเป็นผู้แทนยกตัวอย่างอันนี้เป็นอะไรเป็นสี ร, ร, รับพระปรมาโสกายคันโถ การประครับประคองตนเองให้ดีเพื่อปรากฏเป็นภาพลักษณ์ด้วยมีนยะที่แฝงเร้นกับว่าศีรพัตประมาโสโขกายะกันโถกการเครื่องไร้รัฐคือศีละพัตประมาทไม่ได้หมายความว่าการถือศีลวัดเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแม้แต่การถือเพื่อให้ปรากฏเป็นที่นิยมชื่นชมยกย่องยินดีต่อผู้ตัวคนก็ก็เป็นศีระพัตประมาทเหมือนกัน อันนี้เป็นเครื่องร้อยรัดใจของเราเรียกว่าเราไเราไม่มีสัจจะต่อศีลของตนอันที่สามอีทางสัจจาพินิเวโสกายะกันโถอันนี้สำคัญมากละเอียดมองยากเครื่องร้อยรัดใจก็คือการยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ปักลงไปว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แมายถ้ฉันได้เห็นว่าอย่างนี้แล้วอย่ามาเถียงกันเลย ท่าได้เห็นอย่างนี้ได้อยาวมาโต้ฉันเลยท่านได้ว่าอย่างนี้ถ <enhance urez> ้าเถียงฉัน <emergen> ต <optic> ้องสู้ตายเลยพวกนี้พวกอีทางอีทางสัจจพิณิเวโสการยกกันถูกให้ดูตัวเองแบบนี้ดูไปดูไปในใจตนเองถ้ามันเป็นการแบบนี้อ่ะมันแสดงว่าอะไรต้องเค้าวแน่วแน่อยู่กับลมหายใจให้มากเพื่อยกสติกับสมาธิขึ้นมาให้เขาพัฒนาขึ้นมา พระนั้าการเห็นความคิดจึงเป็นตัวที่พิสูจน์เห็นได้ได้แต่อย่าไปตั้งใจเห็นเขานะเอกวความคิดถ้าเราไปตั้งใจเห็นมันจะเห็นไหมไม่เห็นเพราะมันไม่คิดให้เห็นไงมันไม่คิดให้เห็นหรอกเออแต่เราจะเห็นเมื่อตอนที่เขาเกิดโดยธรรมชาติจากเหตุและปัจจัยมีเหตุและปัจจัยให้เขาเกิดขึ้น แล้วเราดูสิว่าเราจะเห็นเขาไหมถ้าเราไม่เห็นเขาในตอนนั้นจนเขาครอบงมเราเสร็รเรียบร้อยให้รู้ตัวเลยเร่งเร่งรู้ลมหายใจเพื่อให้กับสติสมาธินี่เขามีกําลังขึ้นมาจนในที่สุดเขาเห็นจนได้พระพุทธเจ้าบอกอสมุดยัตธรรมานุปัสสีวาไกายสมิงวิหารติเห็นการเกิดเป็นธรรมดาวยธรรมานุปัสสีวาไกายสมิงวิหารติเห็นการดับ ไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันสมุดไดยะวายะธ ร, รมานุปัสีิวะกายะสมิงวิเรหเห็นการเกิดและการดับไปเป็นธรรมดาอยู่ถ้าเห็นครบอย่างนี้ล่ะเรียกว่าเห็นแต่ว่าให้ไปตั้งใจเห็นนะ่ะไม่ได้ไอ้ตั้งใจเห็นเนี่ยมันไม่เกิดไม่เกิดได้เห็นหรอกเกลียดไอ้คนนี้เหลือเกินแต่วันนี้ฉันจะเตะว่าฉันจะไม่เกลียดมันถ้าจะเกลียดมันขึ้นมาเมื่อไรนะฉันจะหยุดมันให้ได้เลย แล้วเดินเข้าไปหาเขาเลยเดินก็ไปหาเขาเลยเดินก็ไปหาไอ้คนที่เราเกลียดเขาว่าเดินเข้าไปหาเขาเลยแล้วดูที่ความเกลียดความโกรธมันจะเกิดไหมถ้าความโกรธความเกลียดมันเกิดเราก็จะดูมันดูมันเดี๋ยวก็ได้ต่อยกันเดี๋ยวก็ได้ต่อยมันมีเรื่องเล่าที่หลวงพ่อวิอย่างท่านเล่าไอ้ขวังเคยได้ยินเหรอเคยเล่าไห้ขวัง หลวงพอไปยังสลาว์ไปฟังท่านเปยสอนสมาธิที่เบกาอืมแ่านสอนสมาธิสอนสอนสอนสอนสอนนะแลมีฝรั่งคนหนึ่งมาปฏิบัติฝรั่งถึงเวลาก็แจกประกาศนัญบัตรพอแจกประกาศสัญญบัตรไอ้ฝรั่งคนนี้เขารับประกาศนัญบัตเสร็จแล้วก็ถวายคืนหลวงพ่อถามว่าเอ้ารับแล้วถวายคืนทําไมเพราะกระผมไม่เห็นว่าผมได้อะไรเออ พอเสร็จแล้วกคก็คืนไปเขาก็ขับรถกลับบ้านพอไปในระหว่างทางรถมันเกิดเฉี่ยวกันเขาเกิดอาการเลยอาการเดิมเป็นคนมุทัลุโกรธมากก็จะลงไปซัดใบหน้าเขาแต่วันนั้นมันแปลกมากเลยเป็นวันที่เขาหยุดนั่งอยู่ที่บนเก้าอี้ถ้าเราไปซัดเขาเนี่ยเราก็แตจรมีเรื่องมีเราเสียหายอย่างโน้นถึงเมื่อก่อนคิดไม่ได้นะเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ที่คิดเสร็จโอเค จนความโกรธนั้นดับหายไปจากใจของเขาเขาก็ลงไปได้มีโอกาสคุยกับคู่กรณีแบบดีๆเหตุผลทุกอย่างราบเรื่นอยู่เทินรถกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งอหลวงพ่อครับเอามาไหมอ่ะผมมาขอใบ ป, ประกาศคืนเอาเอาทำไมคืนแล้วจะออกกลับทำไมเพราะผมรู้เลยว่าผมได้อะไร ผมรู้แล้วคือทุกเรื่องอ่ะเราจะต้องประจักษ์กับอะไรกับจักกับเราเองเพราะฉะนั้นขอพวกเราแน่วแน่กับลมหายใจทีนี้ลมหายใจนี้เรามาเจอกันที่นี่เดือนละครั้งเนี่ยมันพอไหมพอเปล่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักเรงสมาธิแล้วเราอยู่บ้าน ออกไปข้างนอกเราจะต้องฝึกให้อยู่กับลมหายใจให้มากให้เป็นส่วนมากและเมื่อเรารู้ลมมาเราฝึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจได้ทุกสถานการณ์ฝนตกได้ไหมแ<ม>ดดออกทำงานกวาดบ้านก็มีตังไหนที่มันอยู่กับลมหายใจไม่ได้นอกจากนอนหลับ <sk r isa> แต่การรู้ลมหายใจเวลาเราอยู่ข้างนอก มันก็อาจจะเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่ว ง, วงถ้าเส้นทางชีวิตในระหว่างวันเนี่ยดูนะจากหนึ่งไปจนถึงสิบตื่นนอนมานี่เป็นหนึ่งนอนไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสิบหนึ่งรู้ลมหายใจแล้วก็เว้นไปทำน้นทำนี่ทำน้นทำนี่ไม่รู้พอมาที่สี่ที่ห้าเนี่ยก็รู้อีก รู้ลมหายใจอีกแล้วก็เว้นไปทำน้นทำนีเพอมาถึงที่เจ็ดก็รู้ลมหายใจอีกก็ทำน้นทำนี้เว้นไปมาที่เก้าก็รู้อีกแล้วก็ทำน้นทำนีเพอไปถึงที่สิบก็รู้อีกสรุปฟาร์มเป็นไงถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรามีการรู้ลมหายใจหนึ่งสามห้าเจ็ด้าอย่างนี้เรียกว่า รู้ลมหายใจเป็นส่วนมากแล้วถ้าเกิดเรารู้ลมหายใจบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทีนี้ทุกเรื่องเลยมันสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจได้ก่อนที่จะรินน้ำชามันอยู่กับลมหายใจก่อนจิตจะวิ่งเข้าหาลมหายใจเป็นออโตเมติกแต่เดิมเราตั้งใจรู้แต่เมื่อเรารู้บ่อยๆจนเขาคุ้นชินเขาจะรู้เป็นอัตโนมัติอืม ก่อนขึ้นรถเบย์เรารถเบยก่อนรถเบยจะจอดซัดไปสองคู่สามคู่เห็นไหมมันก็อยู่กับลมหายใจไปแล้วก็ดูไปด้วยดูพอรถเบยจอดปั๊บเดินขึ้นปั๊บจับปั๊บได้ยืนแล้วอยู่กับลมหายใจต่ออพอมันไปถึงจะถึงที่จอดที่ป้ายที่เราจะลงแล้วอยู่กับลมหายใจเสร็จก็เดินลงลงจากล ง, ลงจากรถเบยเสร็จก็ได้อีกคู่สองคู่คือมันจะวิ่งเข้ามาเองเสร็จกิจที่ทํามันจะ ก, กลับมาหาลมหายใจโดยอัตโนมัติ เมื่อเมื่อคุ้นจินมันชนานาญแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในระหว่างวันมันเป็นสนามจริงมาที่นี่มันเป็นสนามซ้อมมันเป็นสนามฝึกในชีวิตจริงเป็นเป็นสนามจริงเพราะนั้นเราต้องเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมไม่ได้ <laughs> เราต้องไม่เป็นหมูสนามจริง แล้วเป็นได้แค่สิงสนามสอบมาถึงแล้วโอ้ยนั่งไม่ง่วงเลยเป็นวันเึงนึง้นแต่ไปออกไปถึงเดินไปยังพ้นหน้าการทำเลยทะเลาะกับเขาแล้ว เ, เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงเราจะต้องฝึกให้เราได้อยู่กับลมหายใจเป็นส่วนมากแล้วมันไม่ยากเลยแค่มีแก่ใจที่จะทำนะตื่นนอนรู้สึกตัวบนเตียงอะ่ะพอรู้สึกตัวปับ๊บก่อนจะลุกขึ้นมาก็ซัดไปก่อนเลยสองคู่สามคู่ลุกขึ้นไปก้าวห้องน้าในเราแก็ บ่อย้นและไอตัวอุเบกขาจากการที่จิตวิ่งเข้าไปหาลมหายใจที่เราเคยเคยที่จิตมันเคยได้ประสบการณ์แล้วตัวอเบกขาเนี่ยแค่เราวิ่งเข้ามาหาลมหายใจสองคู่สามคู่ตัวเบกขามันจะปรากฏตามกําลังของมันมันจะปรากฏโดยตามกําลังของมันเพอเราหยุดรู้ลมหายใจอุเบกขานั้นยังอยู่อุเบกขานั้นยังอยู่มันสามารถที่จะไปบีบยาสีฟันใส่แปลงมันสามารถที่จะหยิบแปลงขึ้นมา ใส่ปากมันสามารถที่จะถูแปลงกับฟันเนี่ยในขณะที่มีเวขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องในเรื่องราในชีวิตในระหว่างวันนี้สำคัญมาก ม, มีคำถามไหมไม่มีแล้วนะทีนี้เราก็จะนั่งภาวนตาต่ออันนี้ที่พูดมานี่พูดแทนการเดินทั้งนั้น เมื่อเราเลิกจากที่นี่กลับไปแล้วจะต้องหาเวลาในการเดินจงกรมสําคัญมากนะเดินจเจริญสติแต่เราไม่เดินล่ะเมื่อก่อนนี่เราให้เดินทุกวันเลยทุกครั้งเลยมา น, นี้ก็เือย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนี่เดี๋ยวนี้พักหลังนี้ไม่ใหไ้ไม่ได้เดินแล้วกลับบ้านแล้วไปเดินเอาตอนนี้พักหนาทีสิบนาทีแล้วกลับมานั่งภาวนากันพระก็นิมนต์นะจะไปองค์น้องค์งน้นํานิมนต์ก่อน เดี๋ยวจะไม่นานะเดี๋ยวจะเข้าธรรมะที่เสร็จแล้วทรงสภาวะอย่างตอนเช้าเหมือนตอนเช้าเลยแล้วก็เข้าไปเรื่อยแค่แน่วแน่กับลมหายใจรู้กับลมหายใจเข้าถึงก็พอทำพอรู้ลมหายใจไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทาลมยาวเลยทาลมหายใจยาวให้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยจนจิตรู้อ่า ปล่อยลมหายใจแล้วลมหายใจจากยาวนั้นเขาจะหดตัวสั้นลงมาตามเป็นลมหายใจปกติแล้วก็จิตแยกออกมาให้จําไว้ว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะที่รู้ลมหายใจนั้นเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันเกิดดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันเกิดดับไปก็แค่รู้มันดับไม่หาความหมายไม่หามูลค่าไม่หาอะไรต่างๆในสิ่งที่เกิดทั้งสิ้นแค่รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับแค่รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ นั่งไประยะเวลาประมาณหนึ่งนะออตอนนี้เวลาบ่ายสองแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเวลาเท่าไหร่แล้วจะหมดเท่าไหร่หมดตอนไหนเลือกตอนไหนไม่ต้องคาดหวังนั่งไปเรื่อยๆแค่รู้ลมหายใจแล้วก็แน่วแน่อยู่กับเขาไปเท่านั้นถ้าจิตมันมันเข้าหาลมหายใจแล้วดูแล้วมันยากขึ้นก็ ให้ใช้วิธีการหายใจเข้าหายใจออกเป็นคู่คู่แรงแรงประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือสร้างความเข้าใจให้กับจิตมันเข้าใจให้ได้ว่าปักเข้ามาที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี้ดูให้เห็นว่ากายใจของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กายใจแท้ๆมันไม่ได้มีอันใดอื่นเลยสิ่งสมมติทั้งหลายที่มันติดอยู่ที่กายที่ใจชื่อนามสกุลยศถานดาศัก สิ่งร้อยรัดทั้งหลายแด่บ้านรถที่ดินครอบครัวอะไรต่างๆที่มันผูกอยู่กับกายกับใจนี่ตัดออกหมดเลยให้เหลือแทแค่รูปแค่นามที่เป็นตัวเดิมแทๆ้ๆจริงๆว่าเรามีแค่รูปแค่นามเท่านี้และเราก็เริ่มเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างนั้นถ้าเกิดความห่วงขึ้นมาก็ใช้ลักษณะของสองวิธีวิธีแรกก็คือตั้งกายให้ตรงยืดตัวให้ตรงจนคตสะบัดออกไปถ้ามันไม่หายก็ใช้ ใช้ฟันกับฟันกดกันแล้วลินดันเบดานให้มันเกิดอาการเกร็งตัวขึ้นมาอย่างแรงเรียกว่ารู้สึกตัวอย่างแรงเพื่อที่จะแก้ความง่วงนั้นแล้วก็แนวแน่เข้าไปสู่ลมหายใจของตน